รวมสิกขาบทที่มีในสุราปานวัคห 1. สุราปานาสิกขาบทว่าด้วยการดื่มสุราและเมรยัยอังคุริปะโตทกะสิกขาบทว่าด้วยการใช้นิ้วมือจี้กันและกัน 3. หัตสะธรรมะสิกขาบทว่าด้วยการเล่นน้ำา 4. อนาธริยะสิกขาบท ว่าด้วยการไม่เอื้อเฟื้อต่อคำตักเตือน 5. พิงสาปะนะสิกขาบทว่าด้วยการทำให้ตกใจ 6. โชติกะสิกขาบทว่าด้วยการก่อไฟผิง 7. ณหาณสิกขาบทว่าด้วยการส่งน้ำนอกสมัย 8. ทุพพันนะกัรณะสิกขาบทว่าด้วยการทำจีวรใหม่ให้เสียสี เก้าวิกัปปะนสิกขาบทว่าด้วยการวิกัป จ, จีวรสิบจีวระอปะนิธานะสิกขาบทว่าด้วยการซ่อนจีวร